ฉันไม่เข้าใจทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่มา ไม่ต้องการแค่เห็นเธอมองผ่านฉันหวังแค่เพียงเธอจะอยู่กันอีกนาะน กันต่อไปเพราะฉันรักเธอมากกว่าใครเธอไม่มีวันเข้าใจแววตาของฉัน ลองไป ทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่มาเมเธอคงไม่รู้ แค่เห็นเธอมองผ่านฉันหวังแค่เพียง s h r n d r a